พุทธเข้าโถออกว่าเจ้าของเคยตำนานทำกับกุบาอาจารย์มาทำเป็นสันเข้าเอกาคือสันเข้าเท่อเดียวในบาทย่าไปฉะนั้นผลการปฏิบัติธรรมะนั้นก็ทำมาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมาบวชอยู่เป็นเวลาหกเดือนผมก็สึก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 คือย่างที่เราทำกันนี่แหละว่าไ้า ย, ย่างขัวย่างแล้วก็ต่อไปก็ว่าไส้ ย, ยกหนอยกชนหนอไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนออย่างนี้แหละทำกันอย่างนี้เป็นเวลาอยู่แปดีทำอย่างนี้ก็ดีอยู่อย่างเดียวกันแต่ผมยังไม่มีรถคือยังไม่มีปัญญาว่าอย่างนี้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 ผมก็เลยลงมาปฏิบัติที่สำนักวัดหลังศิษย์มกดาหลามที่อำเภอสรีสิงห์ใหม่นี่เนี่ยเมื่อมาถึงแล้วท่านอาจารย์มหาสรีจันท์ก็เลยบอกว่าปีนี้จะได้ขึ้นประจํ า, าราษาหลวงพระบางจะได้ให้หลวงพระวันทองมาเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ตรงนี้ผมก็เลยได้รับพันแนะนําจากหลวงพระวันทอง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 ภาวนาตายนี่เราเฮ็ดมาหลายปีแล้วมันยังบ่เป็นนี่อย่างเท่านั้นผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยมาทําจังหวะอย่างที่ท่านหลวงพ่อวันทองสอนให้ตีงนี้งตีงนี้งตีงนี้อย่างนี้แหละท่านสอนให้ยกเป็นจังหวะเมื่อมันหยุดทั้งกับให้ว่า น, นี้เมื่อมันตีงทั้งตัวยกแให้มันตีงเพิ่มโยในขณะนั้น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 เตือนเอามามือหน้ากูที่เอามาคักๆเราจำพวกเตือนมากบทำกันโรอี้เมื่อทำก็กทำอีกชึ่นทำเดิน้ช่เดินในเกลนตีห้าเลผมลุกเดินจนผมดูตะตเป็นแสงออกมาตัวผมนี่คือแสงในหินห้อย ผมก็เลยเข้าใจข้อธรรมะเกิดขึ้นกับเราแล้วแบบนี้วันนั้นผลนึกไปนึกมาผมได้อ่านหนึ่งสือปฐมสมโพธิ์อ่าเป็นนิดระวังอันนกันะหายไปผมก็เดินจนกอยู่ไม่นานก็เกิดขึ้นมาอีกตต่มมันหุ่งเป็นแสงสว่างออกจากตัวผมนี่คลายคายคือใต้กระบองหรือคือแสงตะเกียงเจ้าพยุนนี่แนะ่ ออกจากมือผมผมได้เอามือทั้งสองมือมาแลกันไว้ว่าโอ้แสงธรรมะนี่เป็ น, นอัางซีเนาะวะท่นผมเข้าใจว่าเม่อธรรมะอันนี้ก็แแล้ผมไปเป็นนึกคิดเน่เราอ่านหนังสือปฐมมาสมโพเนี่เป็นนิมิตแล้วอันนี้วะท่นก็เลยหายไปอีกตืมผมก็เดินจมกรมยู่เดินไปเดินมาเดินห้องแคบแ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 เอ้รูปนามนี่เป็นทุกเดการเคลื่อนไหวทุกส่วนเป็นทุกแม้สัตว์เล็กเล็กน้อยน้อยก็เป็นทุกจะเป็นเจ้าฟ้ามหกาษาัตรย์ก็เป็นทุกโอ้พจนว่าทุกขงังอ น, นิจจังอนาัตตานี่มันการเคลื่อนไหวทิพตาหาใจคิดนึกทุกส่วนนี้เป็นเป็นทุกขงัง น, นี่อนิจจังนี่แปลว่าเราจะนั่งอยู่จากชั่วโมงหนึ่งนี้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 มันหักเป็นในตัวมันได้ครับเราเนี่ยผมกรดุญาดอ้าปากมองดูสังอ้าปา ก, กเอาบุลีสูกยัดใสปากนี่บัดเนี่ยบัดนี้บุรีนั่นพวมีไฟบัดเนี่ยสุบบอดายธรรมดาไฟบอดไม้บัด น, นี้ก็เอา้าสุบมองดูสังสุบบไดายขันบัเอาไฟมาใส่เอา้เอาอกกับขีบ้มองดูสังจับมือเดียวจับมือเดียวมาต้อยกับขิก้กระโเป็ี่นมือเดียวบัดนี้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 ว่าทันผมนึกคิดใจไม่ขึ้นเหมือนพราคนเนี่ยมาให้ยอนซีกันมาสบน้ำหน้าน้ำตากันเราเห็นธรรมะนางซีกัหน้าที่จีมาปลอบโยนกันทังส่นอย่างซีผมนักคิดไปเพราะหลวงพ่อนี่คล้ายๆคือบ่มีธรรมะแท้ๆว่านมาสบน้ำหน้าน้ำตากันนางซีเลยน้ำตาผก็เลยเศร้ามันเป็นปีตีขึ้นเพราะการเห็น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 วันนี้เบิ้งไปหู้จักว่าอาโกโซนทางกายทําบาปด้วยกายนี่นี้ว่าอากโซนตายไปแล้วเป็นหยังว่ากันวันนี้อโกโซนทางวาจาวาตั้งแต่ปากซื้อล่างกายบวชทำตายไปแล้วบาปเป็นหยังว่ากันอโกโซนด้วยใจคิดอิจฉาเบียดเบียนผู้อื่นซื้อเตะบทโบดากายกบบารบโบธำ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 ตายไปแล้วจิตตเกิดเป็นีงังวะเนี่ยคิดยังสิวันนี้กุศลด้วยกายกายกระทําทําบุญเนี่ยทําดีเนี่ยว่าจาะกระทําะไรกันใจกระทําทําดีทั้งสามอย่างนี้มาบวกเข้ากันแล้วตายแล้วจิตตเกิดเป็นีงังวะเนี่พอดีเบื้องมาเท่านี้แหละครับคล้ายๆกูปีนาเนี่ยขาดตั้งรถจิตใจผมฉันเดิดขึ้นรถรับจิตใจผมนี่ฆ่าต้อกจักกันแต่บัวแมง ขาดกระเมนไผ่โเห็นเนอะเรื่องจิตใจขาดไว่โบจ่ไปขาดตัดนึง่งสะดิดขึ้นรถครับผมผมเดินจงกลมอยู่เดินไปเดินมาผมนึกคิดว่าพุมขวัสุขในหลักพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนมาแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่รวมลงมาสู้สุดเดียวนี่เ้ผมนึกเข้าใจอย่างสีล่ลถแต่เกลือบผมก็เกลือบพาดอีมพนหนึ่งเนนงท่งอารมณ์ครับ เลยมาทิ้งอารมณ์ผมที่ผมเห็นเรามานะ่ะเนื้ออกรมณด้วยกายด้วยวาจาด้วยกันพยุงไปไปสบายพลดเกินไปสบายยืมประมาณนะจากชั่วโมงหนึ่งครับเดินไปเดินมาเบามมดบิกขั้นการที่มันหนักแน่นอยู่นําตัวนำตัวคนมดว่ากันผมว่ามัดไม่มีอะไรเหลือเสียแล้ว บ, บัดนี้เลยสบายไหลสบายหลายมันมันเคลีบติดด้วยความสุขครับอ้าว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 มันเนี่ยถ้ามีไม้พาดแล้วก็มีไม้อีกตื้นเราจับให้เราเดินไปได้สบายเมื่อเราเสรเราเได้จับไม่อันนี้เป็นกําลังแรงเลยโอ้อารมณ์นี่มาช่วยให้เป็นกําลังแรงบอให้เราลืมตัวนี่แม้นอารมณ์นี่เด้ลักษณะความเป็นอย่งซีผมจึงเชื่อแนว่ว่าคําสอนของพระเจ้านี่มีทอนี่แ น, น่นนี่มันเป็นอย่างซีประวัติผมอ ง, องปฏิบัติธรรมะมา แตี๋เราให้ฟังออกเสียงยอยอต่อจากนั้นนาผมก็เลยปฏิบัติมาอย่างซี่ยูมาแล้วกับมือปีนั้นเป็นเป็นแปดสองคนคันถ้าเป็นมือวันมือสิบซี่ของพอกเหลากับมือสิบี่ของมองมองเหล่านั้นอ่ะมันบูทุกกันพระอาจารย์ปานก็เลยมาตกมือสิบห้าของพวกเฮาที่มามาอก็เลยมาถามผมเอาผมไปถาม คนสอบนักปฏิบัตินำการนี่คนสอบทีละคนละคนครับโบคือพวกเราให้ไปหาทีละคนบบได้ไปพร้อมกันมีนักปฏิบัติผ้าจำนวนยี่สิบสามองค์ยี่สิบสามลูกให้วาดวไปแล้วก็มีโยมผู้หญิงผู้ชายก็มีห้าคนปฏิบัติด้วยกันมู่นั้นไปหมดแล้วบ้านนี้ก็เป็นตกเพี้ยนผมไปเมื่อน้าแดดผมเป็นสลรบาตไปเมื่อย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 เรื่องอารมณ์เนี่ยก้าอยู่วันนี้กตกลงมามือหน้ามาเพื่อกับมาอีกซึมแล้วขับมาสอบอารมณ์บยมือหน้าบยม่ติดกันนะครับระยะห่างกันสองมือเพิ่นมามาก็เลยเอานักปฏิบัติจำนวนยี่สิบสามคนนั้นไปสอบก่อนผู้ชายผู้หญิงอันที่ปฏิบัติจำนวนกันไปสอบก่อนเมื่อทุกคนแล้วก็ผมเป็นคนสุดท้ายอีกซืมบัดเนี่ยเห็นไ่เอาพอออกเสียงคานมาดูวาสัน สันกนันนางยุโต๊ะคื อ, อยังซี่แหละกรมกันน่งคือพุทธอาจารย์นี่นะพ้นอิงหมอนเทามีหมอนเทาใหญ่คือหมอนเทาขัเจ้ามาถวายเขานี่นัง่งเองอยู่พบนกระถามผมเป็นฮอสนะเป็นยัางไรพอออกเสียงคานนะผมว่าเป็นอย่างคับหืม<ะ>มาสั่นคนว่าคนตะคอกคนคู่ให้ว่าเธอไปใจนี่ว่าหนึ่งยันขึ้นบันเดียอา้าวมึงยานยังไงมึงโบไขโบเจ็บโบหนาโบาเป็ดไม่ยังมึงยานยังไงส ใจเกิดขึ้นอีกตืมพูนหนึ่งคล้ายๆคือมีคู่บรเดี่ยวผมเป็นคู่นั่งเหยียบค้างเนะครับจิตใจเนี่มันกล้าขึ้นมาอีกตืมเชิญหนึง่งคล้ายๆคือว่าบ่ยานให้มันไปไปครับใจกล้าหางกล้ามาตราได้ประเดี้ใจนี่พทุทธะมึงยานสิเมื่อกี้นี่ย่านทําไมครับท่นเราจะว่ไปย่างกงไปกงมาเมื่อ น, นี่วะท่านท่าถามเป็นปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาว่าสังคีตอยู่ในใจบระเี๋ย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 คนคัน บ, บู้จาจักลกบู้เขาจักนาบู้เขจักรลูกทำน้ำทำบู้เาจักรศาสนาครับบ้าท่านคือคนตายแล้วนี่เท่า น, นั้นแลว่าสันพันวาเนียนครับผมตายในเทสะก่อนผมเป็นคนตายแล้วครับว่าผมเกิดใหม่ด้ เ, เด๋ยวนี้เนี่ครับว่าชาบ้านอ้าวคนคนเกิดใหม่ที่มาอย่างสังซีได้ไนน ว, คคว่าสันพันถามันเด็กน้อยมันจีมาจังซีได้ยังไงว่าสันพันวาคนคนครูกับเมียนพันวาสื่อกับเมีนบุแมีนเกิดใหม่จังซันครับว่า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 อาจารย์นี่ว่าบนเมียนกิเสือ้อโบเสื้อครับว่ะเสื้อผมเองว่ะท่านท่านก็นเลยมานั่งกองของคิดอยู่เป็นปีหาข้อมาถามผมนั่งประมาณอยู่บนนานนะครับ น, นานกันที่ประมาณจากห้าน่ะคือระว่างนี่นะ่ะท่านเลยถามท่านพอออกเกลือเข็มบ๊องว่งนนาท่านพูดผ่าโอยอันยังซิกาจิมาถามกัานละเนาะว่ะท่น <c oughs>